เราคงเคยได้ยินนะคําพูดที่ว่าหนังท้องตึงนะหนังตาก็หย่อนแมายว่าพออิ่มมากๆนี่ก็ง่วงมันก็แสงถึงความสัมพันธ์นะระหว่างท้องกับสมองนะเพราะว่าความง่วงนี่หมายว่เกี่ยวพันกับสมองง่วงหลับตื่นนี่มันเป็นเรื่องของสมองท้องกับสมองเนี่มันก็สัมพันธ์กันนะอาจจะมากกว่าที่เรา เคยเข้าใจบางอย่างเราก็พอจะเห็นได้นะเช่นถ้าท้องอิ่มนะมันก็พอที่จะคิดอะไรได้แจ่มชัดนะเพราะว่าไม่มีความหิวมารบกวนรังความถ้าคนเราหิวแล้วนี่การเรียนรู้มันก็ลําบากนะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้ทางโลกนะทางธรรมด้วยก็เหมือนกันท้องก็ส่งอาหารไปเลี้ยงสมอง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้ดีแต่ถ้าหากว่าทองหรือกระเพาะทำงานมากไปนะสมองก็อาจจะขาดเลือดในการที่จะใช้ในการทำงานมันก็เลยง่วงแต่ไเดี๋ยวนี้เ็าพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองหรือพุงเนี่ยกับสมองนี่มันมันมีมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่ให้คุณอย่างเดียวนะ อาจจะให้โทษก็ได้อย่างเมื่อเรยนี้ขเขาพบว่าเนี่ยคนที่อ้วนมากๆเนี่ยโดยเฉพาะในวัยกลางคนเนี่ยพอถึงวัยชาราหรือเป็นผู้สูงวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมได้มากมากกว่าคนที่ไม่ได้อ้วนในขณะที่อยู่ในวัยกลางคน ้โรคความจำเสื่อมนะเดี๋ยวนี้นี่มันก็เป็นปัญหาใหญ่นะของผู้สูงวัยแล้วก็มันก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ใช่แค่ลืมโน่ลืมนี่อย่างเดียวนะอันนั้นยังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันหนักกว่านั้นนะลืมลูกลืมผัวลืมเมีย ลืมพ่อลืมแม่ลืมแม่ทั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวความจําเสื่อมที่รุนแรงมากแล้วก็เดีย๋ยวนี้ก็เป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆพออายุเก้าสิบดสิบเข้าเอาแล้วเริ่มแล้วมีอาการแล้วแล้วที่เขาแปลกใจคือว่ามันมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นนะสี่สิปีที่ผ่านมานี่คนเป็นโรคความจําเสื่อมนีเพิ่มถึงสามเท่าตัว มันเป็นการเพิ่มที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากและตอนนี้เขาก็พบว่าเนี่ยไอ้ความอ้วนนะหรือโรคอ้วนเนี่ยมันก็สัมพันธ์นะกับโรคนะความจำเสื่อมนะถ้าว่าตอนวัยกลางคนนี่น้ำหนักเยอะพุงใหญ่นะโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมในวัยชาราก็จะมากขึ้น แล้วถ้าเป็นแล้วนี่ถ้าเราเป็นระดับอัลไซเมอร์นี่ก็มันก็เดือดร้อนนะคนที่ดูแลก็ต้องรับภาระหนักเจ้า ต, ต, ตัวเองนะก็ขาดโอกาสนะถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนนะแต่เวลาที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยนะซึ่งอาจจะนานถึงสิบปียี่สิบปีนี่มันอาจจะหมายถึงความสูญเปล่าไปเลยก็ได้นะ ตั้งที่เวลาเป็นสิ่งมีค่านะแต่ว่ามันก็สูญ์ป่าไปกับการที่จมหายไปกับโลกแห่งความฝันนะหรือว่าปรุงแต่งนั้นการที่เราให้ความสำคัญนะกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นโรคอ้วนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะ ซึ่งนี่ก็สัมพันธ์กับเรื่องการกินด้วย้คนเรานี่จริงก็รู้นะว่ากินมากไม่ดีโดยเพราะอาหารปัจจุบันนี่มันมีคุณภาพทางโภชนาการสูงนะโดยเพราะในเรื่องของไขมันน้ำตาลนะคอเลสเตอรอลและแถมก็ราคาถูกด้วยแล้วก็อร่อยนะอร่อยกว่าเดิมนะเพราะมันมีการปรุงแต่ง สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่อยากเป็นโรคความจําเสื่อมในวันข้างหน้าเนี่ยนะหรือว่าไม่อยากเป็นโรคอื่นๆที่รุนแรงนเงช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งนะซึ่งก็สัมพันธ์กับความอ้วนเนี่ยในการรู้จักประมาณในการบริโภคนี่อันนี้เป็นศัพท์นะรู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีในการบริโภคนี่สำคัญมากเลยกินแต่พอดีนะซึ่ง จะกินแต่พอดีได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีสตินะว่าถ้า ม, มีสติเนี่ยพออาหารอร่อยเขา้าก็กินนะด้วยความเพลดิดเพลินในรสชาติก็อย่างที่บอลเดี๋ยวนี้อาหารนี่มันอร่อยนะหาง่ายมีอาหารหลายชาติหลายภาษานะแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมนะ อาหารอิตาลีอาหารอเมริกันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนี้มันถูกกว่าสมัยก่อนและเดี๋ยวนี้อาหารก็ถึงแม้ถูกนะ้งแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการในแง่หนึ่งก็มีมากขึ้นนะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็มีโทษโดยเพราะไขมันเยอะน้ำตาลก็มากนะังั้นการกินน่ะอย่างมีสติสาคัญนะนะเป็นเพราะควเราไม่มีสตินะ เราไปเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารเราก็เลยกินเอากินเอาบางทีเราเรียกว่ากินแบบไม่บรรยับบรรยังนะหรือว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไอความรู้จักประมาณในการบริโภคนี่เป็นธรรมะข้อหนึ่งนะเป็นธรรมะข้อหนึ่งจัดอยู่ว่าเป็นเรื่องของศีลก็ได้นะศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนะื่องจากเรามีสติเนี่ยเราก็จะรู้ประมาณในการบริโภคกินแต่พอดี ถึงแม้ว่าอาหารมันจะอร่อยนะแต่ว่ากินมากไปเราก็รู้ว่ามันเป็นโทษที่จริงคนส่วนใหญ่ก็รู้นะว่ากินมากๆนี่มันเป็นโทษนะโดย อ, อาหารที่อุดมด้วยไขยมันน้ําตาลแต่ว่าห้ามใจไม่ได้เพราะขาดสติเพราะความเพลิดเพลินลหลงไหลในรสชาติฝึกสติไว้บ้างนะสตินี่มันไม่ใช่แค่ช่วยใจอย่างเดียวมันช่วยกายด้วยมันไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจแต่มันช่วย ป้องกันความทุกข์ทางกายโดยเพราะจากการกินอาหารจากการเสพกินแต่พอดีนะอาหารอะไรที่มันมากเกินไปนะเราก็พยายามงดซะโดยพาอาหารที่มันหวานอ า, าที่มีไขมันเยอะนะแต่ว่าทาใดีเนี่ยนอกจากมีสติในการกินคือรู้ว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอดีรู้จักห้ามใจเมื่อ อ่อิ่มแล้วหรือรู้จักห้ามใจเมื่อรู้ว่าเนี่ยอาหารที่กินของที่บริโภคนี้มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยถ้าเราเจริญสติให้มากกว่านั้นนะหรือว่าให้ละเอียดกว่านั้นนะยิ่งดีนะเช่นขณะที่กินเราก็รู้ว่ากำลังกินอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันนะที่กินเนี่ยังเกว่าใจลอยใจลอยไปโนลอยไปนี่มันเพลิดเพลิน มันก็เลยคิดน่นคิดนี่แต่บางทีกคิดเป็นเรื่องงานการก็ทําให้เครียดมีสติอาการกินคือว่าขณะที่ใจลอยตอนนั้นมันลืมตัวไปนะไม่รู้ว่ากําลังกินอยู่แม้ปากกําลังเคี้ยวอ่ารู้จักฝึกให้ดึงจิต ก, กลับมารับรู้อยู่อาการกินนะรับรู้ถึงปากที่กําลังเคี้ยวนะอันนี้เรารู้กายแต่พอใจมันลอยอ่ารู้ทันอ่า ดึงจิตกลับมาไอ้การที่รู้ทันว่าใจลอยนี่ก็เรียกว่ารู้ใจนะพอรู้ใจมันทำให้มารู้กายรสชาติของอาหารพอได้สัมผัสมันอร่อยก็รู้มันเกิดความยินดีก็รู้นะไม่ปล่อยใจให้ยินดีเพลิดเพลินรู้ว่าอร่อยนะแต่ว่าไม่ไปหลงไหลกับมันอาหารไม่อร่อยนะเกิดความไม่พอใจนะก็รู้นะเรียกเกิด อาการยินไล่ก็รู้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันนะนถ้าเรารู้จักฝึกนะจากการกินเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มากนะทั้งกับจิตใจแล้วกักบร่างกายในส่วนร่างกายเรากนะ็กินอย่างรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะไม่ปล่อยให้ความอยากหรือ กิเลสนี่มันมาครอบงําใจนะรู้จักห้ามใจไว้ได้ว่าอ้าวเท่านี้ควรพอในส่วนของจิตใจนะเราก็รู้นะว่าเออเนี่ยพอใจแล้วนะนี่กําลังลืมตัวแล้วนะนี่กําลังใจลอยแล้วนะอ่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมามีความสึกตัวกลับมามีสติอย่างเนี้มันได้ทั้งอาหารกายแล้วได้ทั้งอาหารใจนะ การมีสติเนี่ยนะกับการกินเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะทั้งต่อความผาสุกทางกายและความผาสุกทางใจนะทางกายก็ทำให้โครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นน้อยลงนะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตาวายเกาเกราหรือว่าต่อไปก็โรคความจำเสื่อมก็น้อยลงการดูการสติมัก็ช่วยรักษาใจนะไม่ให้ทุกข์นะ เวลามีอะไรมากระทบะแล้วมันช่วยทําให้จิตใจมีกําลังมีความสดชื่นเบิกบานได้ง่ายก็ฝึกเอาไว้เนี่ยนะกับการกินนี่แหละกินอย่างมีสติอย่าไปคิดว่าการเจริญสติจะต้องทําด้วยการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการตามลมหายใจเท่านั้นในการกินนี่แหละนัเป็นช่วงเวลาที่เราเจริญสติแบบเป็นธรรมชาติขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะบางทีเราทําผิดธรรมชาติไปบังบังคับจิต พยายามพยายามเพ่งมันตนเครียดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินนี่ไม่ค่อยเครียดหรอกนะเพราะว่าใจมันลอยง่ายนะสิ่งสำคัญคือว่าทำให้มีสตินะไม่ปล่อยใจลอยง่ายๆทำเล่นๆไปทำนะวันหนึ่งนี่เรากินก็ 10. นาทีิบหนาทียี่นาทีบางคนกินเป็นครึ่งชั่วโมงได้เจริญสติมีเวลาเจริญสติวันหนึ่งนี่ก็ อ่ชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะอะ่ถ้าบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานี้ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้ามีเวลากินก็มีเวลาเจริญสติ